น้ำพึ่งเดือนห้าเป็นของหายากและมีราคาแพงเนื่องจากการที่จะหาน้ำพึ่งเดือนห้ามาได้แต่ละขวดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องเข้าไปในป่าใหญ่ใช้เวลาเดินทาง 2, วันกับอีก1คืนกว่าจะถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่พรานพึ่งส่วนใหญ่เรียกกันว่าต้นพึ่งซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่มากลำต้นของมันนั้นมีขนาดถึง10คนโอบเลยทีเดียว เมื่อประมาณ20ปีก่อนณนะป่าใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยามีพรานพึ่งพร้อมพวกรวมทั้งหมดห้าคนออกเดินทางไปในยามเช้าทุกๆคนจะต้องทำพิธีขอเจ้าป่าเจ้าเขาเสียก่อนและจุดทูปบอกกล่าววัตถุประสงค์ที่ต้องการจะไปพวกเขากล่าวอธิษฐานแล้วบอกว่าต้องการที่จะเข้าไปในป่าลึกเพื่อหาน้าพึ่งป่าแต่เพียงอย่างเดียว เพื่อนำมาขายและใช้ในการดำรงชีวิตเท่านั้นหลังจากนั้นทุกคนก็พากันเดินเข้าไปในป่าลึกอย่างที่บอกไปในตอนต้นว่าต้องใช้เวลาเดินทางถึงสองวันกับอีกหนึ่งคืนกว่าจะถึงต้นพึ่งในระหว่างที่เดินทางอยู่นั้นก็มีพานพึ่งคนหนึ่งคิดว่าสเสบียงอาหารอาจจะไม่เพียงพอในขากลับเขาจึงใช้หน้าไม้ยิงสัตว์ป่าตายไปหลายตัวเพื่อให้มีอาหารที่เพียงพอ ซึ่งพรานพึ่งที่เป็นหัวหน้าก็ไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่เพราะก่อนที่จะเข้ามาในป่านั้นก็ได้ทําการบอกกับเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วว่าพวกเราจะเข้ามาเอาน้ําพึ่งแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าลูกน้องดันมาฆ่าสัตว์ป่าแบบนี้โบราณถือว่าเป็นการตรบัสัตว์อาจจะโดนอาถรรพ์ป่าเล่นงานเขาได้แต่คนที่เป็นหัวหน้าก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเกรงว่าจะเกิดการทะเลาะและหมางใจกันซะเปล่าๆก็เลยเงียบไว้ คิดว่าเดี๋ยวค่อยมาขอขมาทีหลังก็แล้วกันทั้งหมดพากันเดินทางมาถึงต้นพึ่งก็เป็นเวลายาำ่ำค่ำต่างคนต่างจัดแจงสิ่งที่ต้องใช้แบ่งปันหน้าที่กันโดยคนที่ขึ้นต้นพึ่งจะต้องเป็นคนขึ้นไปตอกลูกทอยเป็นขั้นบันไดสำหรับปีนขึ้นไปแค่คนเดียวส่วนคนที่เหลือก็จะคอยสนับสนุนอยู่เบื้องล่างหลังจากที่ทาการตเตรียมทุกอย่างเสร็จ ทุกคนก็มาจุดไหว้ต้นพึ่งเพื่อขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าเขาอีกครั้งหนึ่งหลังจากจุดธูปแล้วทําการบอกกล่าวกันเรียบร้อยต่างก็ปักธูปไว้ที่ใต้ขวนต้นไม้แต่คราวนี้ทุกคนสังเกตว่ามีธูปอยู่ดอกหนึ่งเกิดสัน่นคือสั่นอยู่เพียงดอกเดียวเท่านั้นและเริ่มสั่นแรงขึ้นจนธูปดอกนั้นล้มลงทุกคนต่างมองหน้ากันเลือกๆต่างก็เริ่มรู้สึกไม่ดี พรานพึ่งซึ่งเป็นหัวหน้าก็เดินไปหยิบทูบดอกนั้นแล้วนำมาปักใหม่แล้วก็พยายามพูดปลอบใจลูกน้องว่าไม่มีอะไรหรอกทำงานกันต่อเถอะฟ้าเริ่มมืดสนิทพรานพึ่งคนหนึ่งก็เริ่มปีนต้นพึ่งโดยจะถือคบเพลิงขึ้นไปสำหรับจุดไฟด้วยและเมื่อขึ้นไปถึงจึงตีคบเพลิงบริเวณรลังพึ่งเพื่อให้พึ่งแตกฝูง แล้วบินตามลูกไฟลงมาและพรานพึ่งคนที่ปีนก็คือคนที่ตระบตดสัตว์ไปล่าสัตว์ป่ามานั่นเองระหว่างปีนทุกคนก็ช่วยกันลุนพอพรานปีนขึ้นไปถึงก็ได้ยินเสียงนกเขาแมวส่งเสียงร้องละงมกันอยู่ทั่วบริเวณทุกคนต่างพากันยืนนิ่งเพราะมาที่นี่ก็หลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน หัวหน้าพานพึ่งรู้สึกถึงความไม่ปกติจนแสดงความกังวลออกทางสีหน้าอย่างชัดเจนอมืมันไม่ชอบม า, าพากลนเลยหัวหน้าพูดอยู่ในลำคอไอ้จักข้าว่าลงมาก่อนดีกว่าข้ารู้สึกยังไงก็ไม่รู้ว่าลงมาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันหัวหน้าตะโกนบอกพลานที่อยู่บนต้นไม้อ้าวทำไมลานาน ข้าอุตสาขึ้นมาถึงบนนี้แล้วมันจะเสียเวลาเปล่าๆนะเฮ้ยทำให้มันเสร็จไปเถอะพรานพึ่งตะโกนบอกลงมาเบื้องล่างพูดจบพรานพึ่งก็ตีคบเพลิงลงไปใกล้ๆกับรังพึ่งเสียงพึ่งทั้งฝูงปีนแตกหึ่งลงมาตามลูกไฟท่านใดนั้นเกิดลมกันโชกแรงเกิดขึ้นและก็พัดแรงขึ้นเรื่อยๆจนต้นไม้ใหญ่โอนเอ็เสียงกิ่งไม้ในป่าเสียดสีกันดังเอียดอารไปทั่ว พหัวหน้าพรานก็ได้ยินเสียงปรีแตกของกิ่งไม้ใหญ่บนต้นพึ่งเฮ้ยเฮระวังกิ่งไม้กำลังจะหักหาที่หลบเร็วหัวหน้าพรานตะโกนบอกลูกน้องที่ต่างพากันวิ่งหาที่หลบกันชุนละมุนและแล้วกิ่งไม้ใหญ่ก็หักคลืนลงมาเสียงดังสนั่นและที่สำคัญกิ่งไม้กิ่งนั้นก็คือกิ่งไม้ที่พรานจากนั่งค่อมอยู่นั่นเอง มันหักลงมาเสียงกระแทกพื้นดังครึมมีเสียงหัวเราะดังก้องกังวานทุกคนขนลุกเกลียวเกาะกลุ่มกันแน่นและเวลาผ่านไปสักพักลมก็สงบลงทุกคนจึงรีบวิ่งไปหาพรานจักผู้ซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมไอ้จักไอ้จักเป็นยังไงบ้างไอ้จักไอ้จักโว้ยหัวหน้าพรานส่งเสียงเรียกพร้อมเขย่าร่างนั้นเบาๆ แต่ไรซึ่งเสียงตอบกลับมาพรานจักนอนแน่นิ่งหลังจากจับชีพจรดูแล้วก็รู้ว่ามันสายไปพรานจักได้เสียชีวิตลงทันทีหลังจากที่ตกกระแทกพื้นหัวหน้าพรานจึงบอกให้ลูกน้องช่วยกันห่อศพพานจากักแล้วพรุ่งนี้ค่อยออกเดินทางกลับบ้านเพราะยามนี้มันอันตรายเกินไปที่จะออกเดินทางทุกคนช่วยกันเอาผ้าเข่าม้าคนละผืนห่อศพเอาไว้ แล้วนั่งรอจนเช้าไม่มีใครกล้านอนหลับเลยสักคนเพราะว่ายังรู้สึกผวากับสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าเมื่อสักครู่นี้แต่มีเพียงพานหนานผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าพานคนเดียวเท่านั้นที่ขอ ง, งีบนอนเอาแรงพรานหนานนอนหลับไปสักพักขณะกำลังเคลิ้มพันก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นมาว่ามึงรีบเอาศพพวกมึงไปให้พ้นจากที่ของกูแล้วอย่ามาให้กูเห็นหน้าอีก พรานหนาสะดุ้งตื่นทันทีแล้วรีบบอกทุกคนให้เตรียมข้าวของให้พร้อมที่จะออกเดินทางรุ่งขึ้นทุกคนก็ช่วยแบกศพพรานจากกลับบ้านต่างก็เร่งฝีเท้าเพราะไม่อยากที่จะค้างคืนในป่าแห่งนี้อีกระหว่างเดินทางกลับทุกคนเห็นหมูป่าเล็กๆสองตัวและกระรอกอีก2ถึงสตัวนอนตายอยู่ข้างทางจากกรองรอยบาทแผที่เห็นทุกคนก็รู้ว่าสัตว์พวกนี้ สัตว์ที่ตายจากการถูกล่าของพรานจับที่ใช้หน้าไม้หญิงนั่นเองพวกมันยังคงไม่ตายในทันทีคงทนพิษบาดแผลไม่ไหวถึงได้มนอดตายอยู่แถบนี้มิน่าละ่ะเจ้าป่าเขาถึงได้โกรธได้ถึงขนาดนี้พรานหนานผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าพรานคิดในใจแล้วก็รีบพาทุกคนออกจากป่าโดยเร็วโดยไม่หยุดพักกินข้าวกันเลยก็ว่าได้กว่าจะออกจากเขตป่าใหญ่ได้ ก็ราวเที่ยงคืนของวันนั้นเองเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ